สำหรับคนที่มีอุวิสัยวาสนาทางด้านการพินาศกายพอเริ่องพิจารณาเกี่ยวกับสุภกรรมฐานความสุภปกของร่างกายความน่าเปิดผูพังความตายความแตกดับละลายความแก่ความเจ็บความตายซึงเป็นอนิจังทุกข์กานันตาก็จะรู้สึกว่าจิตมันหดตัวจากความฟุ้งซ่าน มีความตรงปล่อยวางเกิดขึ้นที่ใ จ, ก, ใ จ, ก, ก, จ ก, ก็ให้พิจารณาช้าๆอย่าทำลวกๆอย่าพพจารณาลวกๆให้พิ้รณาระชาๆให้ชัดๆให้ละเอียดละเอียดทุกขั้นตอนของการพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไสพงุงมไตน้อยไตใหญ่ ม, ม้ามตับปอดหัวใจน้าเลือดน้ําเหลือง น้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำด้วยหล่อข้อน้ำมูดเยื่าสมองในกะโหลกศีรษะค่อยๆพิาจารณาชัดๆชัดๆแล้วเมื่อพิจารณาถึงอวัยวะส่วนใดก็ให้ความรู้สึกว่าพิจารณาอวัยวะส่วนนั้นโยนออกทิ้งออกไปจากร่างกายโยนไปโยนไ ป, นไปเนา่าเน่าทุกชิ้นเน่าทุกชินกช้นเน่าเผยผู้ฟังไปเน่าเผยผู้ฟังไปถ้าพิจารณาเห็นมันเป็นสดๆอยู่มันก็ยังยึดถือได้ต้องพิจารณาหรือว่าพิจารณาเปนเน่าอยู่ในร่างกายเราหรือเอามันโยนออกไปทิ้งละชิ้นละชิ้นละชิ้น แต่บางท่านก็เพียงแค่พิจารณาอาการสาริสสองไปถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกปลงปล่อยวางเมื่อมีความรู้สึกถึงอวัยวะส่วนนั้นที่เน่าเปื่อยผุพังไปชัดเช่นบางท่านเห็นว่ากระดูกพอถึงโครงกระดูกแตกดับสลายเป็นเท่าทุ่ยจิตใจก็ปลงปล่อยวางไปบางคนแก่พิจารณาเห็นหนังที่เน่าเปื่อยผุพังตอนตายขึ้นอื่นผู้ฟองเปื่อยเน่าแก่ความรู้สึกอันนี้ก็ปลงปล่อยวาง ถ้าอย่างนี้เมื่อพิจารณามาถึงอาการสอรอิสองอาการใดอาการหนึ่งหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแล้วรู้สึกใจรู้สึกโปงปล่อยวางชัดเจนในอวัยวะนั้นหรือในอาการสองอสองอันนั้นก็ให้พิจารณาอยู่แต่อันนั้นอันเดียวอย่าเพิ่งรีบพิจารณาต่อไปจนถึงอาการก็สาม้อยยสองให้พิจารณาอาการนั้นหรืออวัยวะนั้นอย่างเดียวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ำอีกใจก็จะรู้สึกโปรงปล่อยวางไปโปงปล่อยวางไปโปงปล่อยวางไปโปงปล่อยวางไปเข้าไปถึงความจริงหรือไดเห็นความจริงไปเรื่อย มันก็จะชัดเจนการพิจารณาในเรื่องของกายจะเป็นคนหยาบหยาไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาเห็นให้ชัดชัดแล้วก็เมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยๆเห็นให้มันชัดชัดช้าๆชาๆ้าอย่าเร่งรีบมันก็จะมีความรู้สึกตรงปล่อยวางชัดเจนขึ้นในใจนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนั่งโป่งปล่อยวางหมดสิ้เองด้ใจของเขาเองไม่ใช่เราเป็นพิจารณาแล้วมีความรู้สึกสลดหดหู่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 เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมันถรือมั่นได้ทั้งกายและจิตจิต <been> ม <looking out> ันก็ค่อยๆเข้าใจไปเข้าใจไปเห็นตามความเป็นจริงไปเห็นตามความเป็นจริงไปค่อยๆปลงป่อยวางปลงป่อยวางที่จิตใจก็ปลงป่อยวางของเขาเองในตัวของเขาเองหมดสิ้นตอนที่เขาปลป่อยวางหมดสิ้นเนี่ยแม้แต่จะพยายามพิจารณาเรื่องอสุบกรรมฐานพลันนาทุสติเป็นความตายหน้าเปิดปุพพางขึ้นไปอีกเตี้ยนนิทีเดียวที่คิดมาจิตก็จะไม่ยอมคิดแั่ในขาดเพราะเข้าใจแล้วก็อิ่มในเรื่อง กายแนละ้วกิมในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายแนละ้วเขาก็จะไม่ยอมกินนั่นอีกเขาปฏิเสธไปเลยคือเราไป็นคนพยายามที่จะคิดแต่จิตเขาปฏิเสธคือคิดปุ๊บดับเลยคิดปุ๊บดับไปเลยกลางกาแล้วใจก็ีจะหยุดการพิจารณาไปเองอัตโนมัติในเรื่องพิจารณานะหยุดการวิจารณารูปแบบของกายไปเองเลยอัตโนมัติคิดที่ไม่ยอมพิจารณาอีกเลยผมต้องดึงภาพสโลโมชั่นไม่อยอมนั่นไปใช้หนังมันจะจบเร็วเนี่ย มันจะเข้าใจเร็วเขาจะพูดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องดึงตโลโมชันมากเลยช้ามากเลยที่ยผมก็ผมอยู่แล้วนี่ยขเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไปไตลุงไตน้องไตใหญ่มากต่ปอหัวใจน้ำเงินน้ำเหลืองเลยดึงให้ตโลโมชันใเห็จะชัดชัอย่างเงี้ยผมไม่อยากทําผ่านไปเร็วคือมันทำไมเข้าใจเร็วเกินไปมันเห็นผมกนเล็บฟันหนังเนื่อเอ็นกระดูกปอดใจแล้วว่าผมไม่เที่ยมไม่อยากแบบนี้มัน เลยดึงไว้แต่ละภาพเนี่ยแต่ละความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคนเลนั้นเอนกระดูกตับไตได้รู้ไม่น้อยเลยอย่างนั้นก็หมายตัวเราจะแตกดับสลายกลายเป็นธุลีไปเป็นเท่าธุลีมาจากดินกับพื้นสุดดินมาจากน้ำกับพื้นสุดน้ำมาจากลมกับพื้นสุดลมมาจากความว่างกับพื้นสูดความว่างดึงมันช้าๆความเข้าใจตรงเนี้ยทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความเข้าใจดึงให้มันช้าๆช้าๆเป็โลโม w ั o t i o n slow m o ยิ่งเดินหน้ายิ่งช้ามันที่จะไปเร็วแล้วที่ดึงช้าก็ทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งภาพจะไปพร้อมกัน ช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงจช้ามากเลยบางทีเนี่ยรอบเดียวถึงสว่างเลยทุกทีนี่ผมก็เล่นฝันหน า, ามนไม่ให้กดูแต่แต่เม่อไหรน่าจะอยากมาตัดปาะใจเลือดน้ำเหลืองไปทีเดียวจบฟึ๊บห้าวินาทีจบแลยโอ้ยสิงที่ไม่ได้เลยอยากไปไหมอาการสาที่สองเนี่ยเป็นจะถึงความแก่ความเจ็บความตายน่าเปิดเป็นสุรีดินไปเนี่ยดึงเ่ยรอบเดียวสว่างเลยไม่ยอมให้มันเดินหน้าให้มันชัดชัดอยู่นัื่อเนี่ยแบบนั้เนี่ยแล้วก็ ตน้นมันมีคารู้สึกไงต้อบอกว่ามันจบเร็วไปไม่มีอะไรทำอไเงี้ิเด็กมันจะจารีดใจแล้วมันมีเวลาตคืนหนึ่งที่เก็วตั้งรอบใหม่อยู่เลยตั้งรอบที่ไหนะใหม่เลยตั้งรอบที่ไนตั้รอบเดียวนีจบไปคืนหนึ่งคืนนั้นรอบเดียวพอแล้วกว่าจะถึงสุดท้ายเยอะน้อยกะหลกทีสติดดังนี้และโฮดึงเมื่อคืนเวลาทำต้องทาให้เขาสอนว่าบางท่านมีไม่ใช่ว่าเอาอย่างน้อย่างนง ก็ตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะถูกกับไอ้อันไหนในฐานฐานที่สองเน่ะพอสโลโมอโมชั่นไปผมไปเจอตรงที่ที่เรามันถูกกับอุ้ยสายเกา่าเนี่ยไอตรงนั้นมันจะรู้สึกปิดมันจะรู้สึกอบดตัวแล้วมันจะรู้สึกปงปล่อยวางมันจะรู้สึกสลดมันคือไม่ไม่ใช่ความสลดแบบอ่ามีอารมมันจะสังเวยตรงว่านั่นดึงดึงดึงนงอยู่ตรงนั้นไม่ไป ไ, ไหนนะไม่ใช่ฐานทสองเนี่ยเท่ากันนะเวลาเท่ากันคือไอตรวนั้นมันดึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเจ๊กระดูกเนี่ยโอ้ยกระดูกไปยื่นในกระดูกเนี่ยผ่ากระดูกออกเนี่ย มันชัดกว่าตัวอื่นกระดูกเสร็จผ่าในกระดูกเห็นเลือดในกระดูกเห็นเลือในกระดูกโอ้โหตรงนี้นอนมากเลยเขาบอกมันมันชัดแล้วมันมันแล้วมันรู้สึกว่าระบบสัมเวยแล้วมันรู้สึกโปร่งใสวางแล้วอีกตอนที่ดึงเสร็จแล้วตอนปล่อยตอนเผาเผาหมดแล้วเมันเก็บกระดูกเข้ากระดูกตัวเองไงกระดูกเป็นถุยผงผสมกับมีกี้เท่ากี่ดินเป็นทุเรียนดินไอตรงนี้ก็โอ้โหจิตมันโปร่งใสว่างมากเลยตอนโกยออกมาจากเตา มันเห็นตัวเองกูกโกยคิดเท่ามาจากตาเข้ากระดูกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันโหดชัดมากในความรู้สึกมันรู้สึกว่าทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความโรงปล่อยวาทั้งจิตมาสอเลสโรงสองเลสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันในความกันแล้ว่ะตรงเนี้ดึงช้ามากในภาพการแล้วบางทีไหมว่าบางทีมันก็โร่งสองเลสแล้วบางทีมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาแล้วจะต้องทำไปเรื่ยถ้าไม่ไม่รู้สึกอะไรก็เป็นงานต่อไปเลยเป็นนายผมคนนี้ตู้ถึต่อไป บาที่ในอาการสาสองไม่พรมไม่พรมก็ข้ามไปนู่นเลยข้ามไปนเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อยากลงพ้นความแก่ไปได้เราต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาไมากลงพ้นความเจ็บแค่ไห่ปวยไปได้ไปตรงไปนอนลงพาบานไดนั่งเครือเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่อยากลงพ้นความตายไปได้บางที่ถึงพอถึงลความตายก็พรมไปวางเลยแต่บางทีมันแห้งแรงไม่มีอะไรเลยพิญณาตรงนี้ก็ไปพิจารณาได้เลย อานิจจาวัจจสังขาราุปาเวชามิโนุปปชิตวานิสุสันติเตสามูปัสโมตุโกเพราะเด็อานิจจาวัจจสังขารมันไม่ถึงตัวเองตายโดยเผาบนเมนเป็นขี้เต้าตัวรีตรงนี้จิตมันไม่รู้อะไรมันลงเลยจิตมันลงตัวตรงนี้เลยมันหดตัวลงมามันสลดองค์ปล่อยวางตรงเนี้แล้วตรงนี้จับซ้ำอยู่นั่นแหยะไมไปไหนเลยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่นั่นแหละจ้ำพืนอย่างเงี้ย พลงที่อนิจจาวัดสาราอุบาทยามิโนปจิตวามิจตจัเสังขุปัสสตุตาามโวโ อ, โ อ, โ อ, โอตุนลงมากบามันก็ประกอบไปตัวนี้สเปสังาิจจาสเปสังฆร า, าทุขาสเปตังมารนักตาแล้วก็อัทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวมนมรณะความตายเป็นของแม่ยั่งยนเอาสา ม, ม, มราลายามามฤตปันเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สาเป็นทีวพิจรณ์ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอด ชีวิตตางเมเนียตามชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณาเมเนียตามความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าจากควรที่จะต่างเวอยางกายโยร่างกายนี้อาจีรังไม่ได้ั้ำอยู่นานพรเพชรวิญญาณโอกัก็จะจากวิญญาจุดโทอันเข่าจริงแต่แล้วอาชีพสติจะนอนทับพระวิญซึ่งแต่ยิ่งกะริงนเทลังว่าประดุจังว่าพระไม้พท่านเป็นมีละชังหาประโยชน์มีได้พอลงตรงเนี้ยจิตมันตรงเลยสงบเลยตรงทีก็สอนนี่ อ น, นิจจาวัฏฐาขาลาต่อเลยบางสกุลต่อเลยบางสกุลตัวเองไมบางสกุลใรบาสกุตัอเองอ น, นิจจาวัฏาขาลาอุปเวชามิโนเบจิตวันุชนตีเตสงมุฟัสมโตรโกโเป็นขีเราก็ดูกไปเราต้องมีุบายว่าอนที่มันมันรู้สึกฟองเปิวานชเจนก็อยู่ตรงนั้นเลยจับติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไม่ได้อยู่กับอารมณ์ใช่ไหมฮะยิขึ้นมาไห้ไม่ได้มามาไมไ่อยู่กับอรอะพอมันฟองไปเราก็ยิบขึ้นมาอ อ๋อมันไปบงทีใันไปสงบนิ่งว่างเราไม่สนใจตัวนั้นเลยพราวิญญาณเสร็จแล้วไปสงบนิ่งว่างไม่เลสนใจตัวสงบนิ่งว่างเลยหยิบเอาตัวเอาตัวขึ้นมาพิจารณาใหม่เอาเอาตัวพิจารณาเอาเครื่องมือพิจารณาขึ้นมาพิจารณาใหม่ยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ไม่สนใจไอ้ไอ้จิตที่สงบนิ่งว่างร่มผมสบายไมสนใจเลยไม่สนใจหยิบมาพิจารณาต่อจนถ้ามันเวียนณาไม่ได้พอคิดพุ่งหายคิดพุ่งหายคิดพุ่งหายการอากาศเลย บางทีแยกที่เราสือผมกดเล็บ้าหนังนังเอกรปดูตับไตไตภูมิไตน้อยไตยมากทับปอดด้แจ้งน้ำเหืองเนี่ยดึงทั้งหวดาการหลังสไม่ไม่รู้สึกอะไรมันแห้งแรงมากเลยมันแห้งแรงแบบผ่านหรือควักควักถูกตาออกเราเป็นคนตาโบจะเป็นไงรูดเอาผมออกดึงผมออกหมดรอกหนังหัวออกรอกหนังออกจากตัวเหลือแต่เลือดแดงๆเนื้อแลเลือดแดงๆลอกหนังออกเหลือแต่อวัยวะตับไตไตภูมิไตน้อยไตยม้ับอดดแจงควักทิ้ง เอามือลงไปทาความรู้สึกควักทิ้งใ่ใสุรี่เรารอยากควักอะไรให้เน่าบมเน่าเน่าเน่าวักะมให้เน่าออจากกายเน่ า, าเลยเจ้าตั้งหรือจะก ร, ระดูกตั้งอยู่พี่เลยนะถ่กระดูกแบกก ร, ระดูกออกเห็นเนื้อเยื่อในกระดูกน้เลือดน้ำเหืองในกระดูกแบกออกวิอีอย่างเงี้ยเห็นชัดมากเลย น, นคะครที่สุดแล้วก ร, ระดูกนั่นก็เขาเข้าเท้าเข่าเป็นเท้าชุดนี้ไปนี่ ไปโกยที่เท่าตอนเช้าที่เราไปเผาศพกันอนี้แล้วแต่เทคนิคบางวันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยบางวันก็ไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่ไม่มันทํา้ๆมันผิดมันคุ้นต้องผ่าใหม่ว่าใค้ถูกตาเาเจอว่ากว่าพรมก็เลยก็หนังถอดหนังเนื้อหนังออกมันก็ไม่ไม่มันแห้งแรงไม่เป็นตัดเลยนี่แหตัดขวางออกเป็นตอนตอนตอนตอนตออตอนตัดออกหมดเลยผ่าออกทางด้านี้ผ่าแบกออกผ่าร่างกายแบกออกมันก็เป็น มันก็รู้สึกนะมันไม่รู้แต่ว่าถ้าวันไหนพอเลิกจับพุ๊บมันแห้งแล้งไม่ไม่ฟงฝอยวางมันจิตไม่รู้สึกปวดตัวไม่เอาเลยแสดงว่ามันไม่ใช่ถามแง่มุมเลยไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาอนนี้ยาวอันนี้ยาวไตสามข า, า, าหลาังอ้าลงเลยไปหาไปจนลงอ่ะลงแก่ใจแล้วจิตมันเ จ, จิดจิตมันจะหดตัวลงมันจะตลดมันจะสคงสองเวทนะครับ พิจารณารแห้งแรงมากเลยแสดงมันไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกเอาอามาไหมบางวันมันเคยถูกแต่ว่าพรอเอามาวันนี้ไม่ถูกแต่อย่าเปคนหยาบหยาบไม่น่าต้องละเอียดต้องเห็นละเอียดมันจะไปเพ่งมันเฉยๆแล้วมันมันแหลกไปเองนะไม่ใช่น้อมใจเลยเห็นมันแล้วน้อมใจน้องเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ย้องเป็นอย่างนี้ไม่อาจะนอย่าืนไปได้เราต้องเป็นอย่างงี้เนี่ยไม่อากจะอยู่ไม่ได้ต้องน้อมใจในมาอช่วยก็เป็นผู้ฉลาด เอไงหยิยกแง่หยิบมาพี่เนี่ะเป็นรู้ลงหน้าตาบางทีมันไลงที่นิจจามาลงที่หน้าตาบางทีก็ลงที่ทุกข์ลงเป็นทุกข์ใครมันสาแง่มุมมาลงเลก็ลงที่อนิจจามทุกข์ผานตาบางทีมันลงพี่เนาะเรื่องเรื่องมันลงลงแบบอนิจจไม่เที่ยงไก็ไม่เที่ยงบางทีลงที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์บางทีก็ลงที่อน้าตาไม่มีอะไรจิตมั่นจิตมั่นเลยเลยแต่สนิทนี่มีตัวเลือมันก็ลงเลย น้องใจไปว่าเอออย่างนี้ไม่ลงก็ลงอาจารย์เคยพูดอย่างนี้เรารู้สึกลงถึงว่าน้องแปลเปก็ลงื่อทีเราเลือภาษาบาลีไม่ไ้เรากลภาษาไทยมันจะเป็นเลบาลีเรากบาลีได้แล้วลือบาลีบางทีเราือกบาลีไม่ออกเราเลือภาษาไทยอย่างมณิจารวัตสังขารอุปวยธรรมนุปจิตวานิจารีเตังปโมตุโทีเรแปลไม่ออกก็เห็พระุไปชักทราบบาสุตก คนเผาบนเมรมันมันเหนียนาดเลยรู้สึกไปเลยไม่ต้องแปลวันนี้จะาวเสถางลาวพอไปสามินูไปจีเวันกจดีสามวโมสุโปกแปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเลยโอ้มันรู้สึกเลยเนี่ยแต่เราจาขึ้นไปบางตะคุนอีกแล้วในบางตะุนตัวเราอีกแล้วเราก็ต้องไปนอนให้เากบ้านแบกภาพบางะคุนเนจาวสถาลาวบางตะุนตัวเราไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีเรื่องกาแปลเยอะหรืแปลว่าอะไรบางทีรู้คำแแต่มันไม่ตรง แต่จำเนตาพโมันคงว่ะอย่างงั้นเราเอาาพสเลยแล้วมเอบนอนอกาที่หนาเ็มาจาแค่การเสร็จแล้วก็เห็นจิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับความสึกนคิดรมเอมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันแสงงห้อยจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมืนแสงยิงหอยเหมือนเหมือนเหมือนฟ้าแรกอะมันยืนดูฟ้าแรกะลึงดูฟ้าแรกปลปลปลปลปลบนต้งฟ้าเงย เห็นจิตเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองคือความรู้สึกนึกิดอารมณ์เกิเองกับเองเกิดเองทำก็ปรากฏว่าให้คพิ่งเห็นว่าให้เห็นหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นหยาบอยู่ให้เพิเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปก็เลยพอพอทำปรากฏอย่างนี้เสร็ก็มีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปเห็นแต่ดับไปเพิเห็นแต่ดับไปดับไมันก็เป็นเองผลที่เิดขึ้นเองจิตเกเองกับเองมันแสงเงว่ามันป็นต้าหละ มันไม่มีผู้ไปใจนานเลยสมกับคําว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมหมายสัพพัญจะไม่หลงธรรมหายถ้าอรหัาต์นั่งหลายเห็นว่ามีแต่สิ่งใดโอ้มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีแต่ความดับไปเป็นธรรมดาท่านรู้สึกถึงใจแล้วจะกำลังพึงขึ้นเนาะโอ้มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นเพื่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้เรียกหมอกมันเป็นความรู้สึกและคิดอารมณ์ เป็นคิดนึกตึกต้อพุ่งแตงเปล่งหยอกเนี่ยสุดก็มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเรียกชื่อเลยมันมีแต่อาการอาการปรากฏอาการปรากฏอาการปรากฏแล่นก็เป็นอาการงหนึ่งทำเห็นแต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปอ้ที่เกิดมาเนี่ยมีระดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปจนท่านใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาตามธรรมชาติ แล้วไอ er ้ที่เกิดขึ่นมาธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งการเกิดเนี่หน้าเกิดก็เกิดก็เป็นธรรมดาของการเกิดเพราะยังเป็นฐันะอยู่ยังไม่ตายและการดับไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ดับไปเป็นธรรมดาทั้งการเกิดและการดับติดเป็นธรรมดามีแต่จิตเกิดเองดับเองเองเกิดเองจิตเกิดเองดับเองไม่มีผู้เข้าไปพิจารณาีิตเพราะว่าไอ้ผู้เข้าไปพิจารณาจเนี่ยมันก็คือจิตมันก็องแต่มันจะไม่สิ้นองแต่ พอถึงจิต <ata> แล้วมันไปพิจารณาจิตไม่ได้เพราะจิตมันเกิดเองตัดเองพอเราไปพิจารณาจิตปุ๊บมันก็คือจิดคิดต่อไปเรื่อยๆอ่างเงี้ยมันพิจณาได้เฉพาะกายแต่พอเราเราไปพิจารณาจิตไอ้ตัวพิจารณาเป็นจิตซะเองแต่กายเนี่ยมันกายมันพิจารณาตัวมันเองไม่ได้ต้องเอาจิตไปช่วยพิจารณากายแต่พอถึงจิตเนี่ยเราเอาจิตไปพิจารณาจิตไอ้ไอ้ตัวพิจารณาเป็นจิตซะแล้วมันก็เลยไม่จบสิ้นตีนเวียน เันจิตเรี่ยมอะไรเแล้วแต่จิตเกิดเองดับเองยังจินติกสมุทเะยธรรมสัพพธรรมนี่โรธธรรมมันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั่นมีความดับไปเป็นธรรมดามีแต่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นแสงหิ้ง้อยแบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบดไปแบบดับไปแบบดับไปหรือเหมือนฟ้าแลบไม่มีผู้กอบิสที่ใดหนามันไม่ได้พูดถึงนะผู้เพลงผู้จ้องไอเราเป็นผู้ดูหรือเราเป็นผู้คิด นี mouth, ่เราคิดดูว่าดูมันมมีตรงนี้มันมีแต่เกิดเกงแบบนี้เกิดเองแบบนี้ให้ผู้ที่เขาไปร่วมวงไพ่บูลด้วยร่วมพิจารณาด้วยร่วมติดตามร่วมหาเหตุผลมันไม่มีแล้วหมดสิ้นตรงนี้ยเ่อย่างจะต้องดูไหมนี่เราดูอย่างนี้จะติดใจไหมผ่านทั้นตอนมไม่เหมือนอมันเลยเหมือนอะมีแเกิดเองแบบนี้เกิดเอง